ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่มประปวธิญาณในวันนี้คงประรบเรื่องหลักการบริหารจิตต่อไปนัย่าแห่งสัญญาทั้งสิบประการซึ่งเป็นหลักปฏิบัติทั้งในส่วนของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนั้นทรงแสดงโดยอีกนัย่าหนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับจดิตนัตยาสัยของผู้ฟังจึงสามารถจะเลือกกำหนดระลึกเพื่อเกิดความสงบและกำหนดพินิจพิจารณาเพื่อให้เกิดผ่อนคลายลดลักปั่นเทาความรุนแรงของกิเลสในระดับต่างๆในข้อต่อไปนั้นได้ทรงแสดงถึง วิรากะสัญญาคือการกำหนดหมายเห็นสภาพของจิตที่ปราศจากความกำหนดยึดติดในกามคุณทั้งห้าประการคือรูปเสียงกลิ่นรสบทพระนั่นเองโดยทรงแสดงแก่พระอนตเป็นใจความว่าให้ผู้ปฏิบัติ เมื่อเข้าไปที่สงัดจะเป็นโคนไม้ภูเขาหรือดิมต้นไม้ก็ตามตั้งใจกำหนดปินิติจนาว่าเอตังสันตังเอตังปณิตังสภาวะเหล่านี้สงบสภาวะเหล่านี้ประนิตคือไปมองในเชิงผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ ซึ่งเป็นเป้าหมายในการปฏิบัติธรรมะตามพระพุทธศาสนาข้อ น, นี้ผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะเห็นได้ว่าสภาวะของธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประรบตอนสัจจรุปใหม่ๆก่อนที่จะตัดสินพระไตยแสดงธรรมที่ปรุงสัจจารูปเก่โลกก็ทรงประรบถึงนิพพานในธรรม ว่าสันโตปณีโตคือสงบเละปณีจริงเมื่อเทียบเคียงกับจิต ใ, ใจของบุคคลทั่วไปซึ่งยังอยู่ในอาลัยคือกามาคุณมีจิตใจผัวพันหมกมุ่นวุ่นวายอยด้วยความกับหนัดความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลายโอกาสที่จะศึกษาปฏิบัติจนได้สัมผัสผลที่สงบเระปณีนั้น ตรงเป็นไปได้ยากแต่เมื่อถึงขั้นของการปฏิบัติเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ทรงสอนไว้ในระดับต่างๆเป็นทำนองขัดเกลาวจิตใจให้กิเลสซึ่งมีอยู่ภายในเจือจางลงไปโดยดํากับทรงเน้นไปที่สภาวะซึ่งส ง, งบแต่จะาถามว่าส ง, งบ จากอะไรก็แปบว่าสงบจากเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ที่แบดเผาจิตใจของบุคคลสร้างความวิปริตเปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นในเรียบบทต่างๆทันแล้วแต่เป็นแรงผลักดันของกิเลสแต่เมื่อกิเลสสงบระ ง, งับไปความสุขก็เกิดขึ้นความทุกข์ก็สงบไป จิตใจเป็นเช่นนี้ก็จึงเป็นจิตใจที่ประนีตอย่างแท้จริงเพราะไม่มีส่วนของความเศร้ามองไปปะปนอยู่อันเป็นเป้าหมายสูงสุดในการปฏิบัติธรรมทางพระพุทธศาสนาหละจากนั้นทรงแสดงในรูปของคำถามและตอบเองว่าสภาวะเหล่านี้มีลักษณะอย่างไร เฉพาะในวิรากะสัญญานั้นได้ทรงแสดงในรูปของความไม่มีสิ่งที่ชาวโลกมีทอนนี้เป็นเพราะอะไรรู้ว่าการอธิบายนิพพานนั้นเอาก็าจริงแล้วจะอธิบายให้เกิดความเข้าใจได้ยากตำนองการอธิบายสีแก่คนตาบอดอธิบายรสต่างๆแก่คน จึงลิ้นไม่สามารถรับรสได้หรือว่าแม้จะรับรสได้แต่ก็ไม่อาจจะสัมผัสผลที่แท้จริงว่าเกรือวาดมันเค็มอย่างไรนอกจากบุคคลผู้นั้นจะมีตาสำหรับดูเองแต่มีลิ้นสำหรับลิมรสเองจึงจะรู้รสชาติของสิ่งเหล่านั้นได้อย่างแท้จริง รถแหทท่งธรรมก็มีลักษณะเช่นเดียวกันที่ทรงแสดงว่าเป็นความสงบเป็นความประนีตนั้นถ้าจะตั้งปัญหาว่าสงบอย่างไรประนีตอย่างไรก็จะเป็นเรื่องที่อธิบายยากอนั้นจึงทรงสั่งสอนในรูปของความไม่มีสิ่งที่โลกมีเคยผู้ศึกษาปฏิบัติเทียบเคียงเอาเองว่า ในความสับสนวุ่นวายต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของตนเกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นตลอดทั้งเกิดขึ้นแก่โลกเป็นพฤติกรรมที่เป็นไปตามแรงผรักดังของกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาหรือไม่พึงปรารถนาเมื่อบุคคลได้ใช้ปัญญาพินิจพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าพฤติกรรมส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่บุคคลผู้ใกล้ทาจริง ไม่ต้องปรกไม่ต้องการปรารถนาสิ่งเหล่านั้นลักษณะของนิพพานหรือวิรากะที่ทรงอธิบายในที่นี้ทรงใช้คำว่าสัพสังคาระสมโถุคือสภาพของจิตที่สงบระนับแห่งสังขารทั้งหลายคือหมายความว่าโดยปกติแล้ว พื้นจิตใจของบุคคลโดยทั่วไปและของสัตว์โดยทั่วไปนั้นจะเดือดร้อนวุ่นวายอยู่กษัตริย์แด้สังขารทั้งหลายไฟแต่ยิงจะเป็นสัตว์หรือสังขารมันก็คือสังขารจะมีวิ ญ, ญญาณครองหรือไม่มีวิ ญ, ญญาณครองก็ตามก็เป็นสังขารและสังขารนั่นเองก็คือตัววัตถุกรรมที่เป็นรูปเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นเย็นร้อนอ่อนแข่ง จิตใจของบุคคลจะหวั่นไหวไปตามอานาจของสังขารที่ปรากฏเด่นชัดแก่จิตก็คือความรักและความชังในสัตว์และสังขารเดล่ บ, บนั้นจะมีความรู้สึกป่ยคว้ า, วาปรารถนาจะได้ครอบครองสัตว์และสังขารที่ตนต้องการปรารถนาแต่ก็จริงเมื่ อ, อยังไม่ได้ ก็ถูกแผดเผาด้วยแรงปรานาเมื่อได้มาก็ถูกแผดเผาด้วยความวิตกกังวลฟวงใหญ่และในขณะที่ครอบครองสิ่งเหล่านั้นอยู่ก็ถูกครอบงำด้วยความหวาดระแวงตอนอันตรายต่างๆที่จะเกิดจะเกิดขึ้นแก่สัตว์และสังขารนั้นเป็นที่รักของตนเพราะในหลักของการปฏิบัติธรรมะแล้ว การที่บุคคลไปแบกขันเอาไว้เป็นนั้นมากนั้นเป็นภาระที่หนักเพราะแม้แต่ขันของเราเพียงห้าขันเราแบกกันจนหุ่นวายนะถ้าไปเพิ่มขันเข้ามาอีกมีความเป็นของเราเพิ่มขึ้นเท่าไรมีความเป็นเราเพิ่มขึ้นเท่าไรหรือมีความเป็นตัวเป็นตนของเราเพิ่มขึ้นเท่าไรภาระในการแบกก็จะหนัก ดังความมีตกกังวลเป็นต้นก็จะไม่มีที่สิ้นสุดแต่ในขณะเดียวกันบางครั้งบางโอกาสบางอารมณ์บุคคลก็สามารถสงบความรักความชังในศาตว์และสังขารทั้งหลายไปได้แต่แม้ในศาสตร์และสังขารทั้งหลายเหล่านั้นจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็รทําใจสงบได้อาจจะสงบไปด้วยความ เบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านั้นอาจจะสงบไปเพราะคลายกำลัดสิ่งเหล่านั้นลงไปอาจจะเบื่อหน่ายหรืออาจจะสงบได้เพราะทำใจเป็นกลางได้เป็นตน้นซึ่งแสดงเห็นว่าผลที่เกิดขึ้นจากความสงบจิตที่สงบในสัตว์และสังขารตั้งหลายนั้นระดับหนึ่งบุคคลก็สัมผัสกันได้ บางเหตุการณ์ที่มีการยื้อแย่งการต่อสู้การปราดประหารกันใจคนไม่ไปยึดเหนี่ยวว่าเป็นของเราเป็นพวกเราหรือเกี่ยวข้องอะไรกับเราก็าไม่ต้องไปเดือดร้อนระเหตุการณ์เหล่านั้นก็ได้แสามารถทําได้ในบางครั้งบางโอกาสซึ่งหมายความว่าถ้าสงบได้อย่างแท้จริง ปะวัตศาสตร์สังขารทั้งหลายอันเป็นท่รักจะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปอย่างไรก็ทำใจสงบได้นั่นจะต้องเป็นความสงบที่ประณีตลึกซึ้งไม่ถูกโยกครอในหวั่นไหวด้วยอารมณ์ต่างๆได้ในข้อนี้ที่จริงก็มีการสั่งสอนไว้โดยนิยามต่างๆแม้แต่คาถาที่ใช้พิจารณาบังสุกุล ในกรณีของการบังสกุลศพนั้นก็สงแสดงให้เห็นในแนวที่ให้มองเห็นเป็นอนิจสญญนนจสัญญาด้วยอนิจจสัญญามองเห็นเป็นความเกิดดับตามเหตุปัจจัยของสัตว์ไดยสังขารทั้งหลายถ้ามองในแง่ของแกเป็นเหตุปัจจัยของแกแกเกิดขึ้นก็เป็นเหตุปัจจัยของแกดารงอยู่ก็เป็นเหตุปัจจัยของแก และแม้แต่แตกสลายไปก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยไม่ต้องกล่าวถึงสัตว์สังขารนั้นเป็นภายนอกแม้ตัวเราเองก็ต้องแตกสลายได้ถ้าคิดได้เพียงเท่านี้ใจมันก็สงบได้ดังนั้นในคำแปลบทที่ว่าอนิจจาวัตสังขาราที่สุดกันนึงแปลว่าสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนอเกิดขึ้นแล้วก็วเสื่อมสลายไป การเข้าไปสงบประงับในสังขารทั้งหลายจะได้ก็จะเป็นความสุขแต่ในที่นี้ทรงเน้นไปในรูปของการปราศจากความกำหนัดเป็นหลักตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าในสัญญาข้อต่อไปยังมีนิโรธสัญญาอยู่ด้วยจึงเจาะจงเฉพาะส่วนแห่งราคะหรือความกำหนัดความเพลิดเพลินในอารมณ์ทั้งหลาย ตึงเข้าใจว่าเป็นเพียงกุบายยวิธีในการสอนเพราะที่จริงกิเลสจะลดหรือจะเพิ่มมันก็ลดเพิ่มเลยกันไม่ใช่ว่าลดเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเช่นความโลภก็ลดก็แสดงว่าความโกรธก็ลดความหลงก็ลดตามไปเวลาความหลงลดก็หมายความว่าโลภโกรธมันก็ลดเวลาความโกรธลดเป็นโลภหลงมันก็ลดตามไปด้วย ด้านการแสดงจะใช้ข้อไหนคิดมาแสดงก็ได้แต่ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจนสามารถสงบระงับในศาสตร์ะสังขารทั้งหลายด้านได้นั้นหมายความว่าใจจะไม่แกว่งไปด้วยอํานาจความรักและความชังซึ่งคนนี้เราอาจจะดูลูกตุ้มนาฬิกาที่แกว่งอาจจะแกว่งซ้ายหรือแกว่งขวาเป็นใจที่แกว่งไปด้วยอํานาจความรักและความชัง แต่เราหยุดไม่ให้แกว่งทางซ้ายก็หมายความว่าขวามันก็ไม่แกว่งเมื่อเมื่อไปแกว่งไปทางซ้ายได้ทางขวาก็หยุดแกว่งจิตใจที่มีการบันเทิกิเลสก็มีลักษณะอย่างนั้นประการต่อไปทรงใช้คําว่าถ่ายถอนอุปธิคําว่าอุปธิเป็นคําที่ใช้หลากหลาย แต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วจะเกาะกลุ่มเป็นสามกลุ่มด้วยกันคือกรรมูปฐิอุปธิคือกรรมกิเลสูปฐิอุปธิคือพบอุปธิคือกิเลสขันธูปฐิตอุปฐิคือขันธ์ซึ่งข้อนี้จะเห็นได้ว่า นั่นก็มองไปได้หลายอย่างแต่ที่จริงแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยของการต่อกการที่บุคคลไปยึดมั่นถือมั่นในสัตว์และสังขารทั้งหลายว่าเป็นของเราเป็นเราหรือเป็นตัวตนของเราซึ่งเป็นอาการของขันถูปะทิเป็นแรงดันของกิเลสูปฏิอุปธิคือกิเลส และเมื่อเมื่อมีการยึดมั่นถือมั่นในแนวนั้นบุคคลก็จะกระทำกรรมด้วยประการต่างๆเพื่อปรน้นปลือขันของตอนเองการกระทำนั้นในลักษณะที่เป็นบาปก็เป็นอุปธิในชั้นทั่วไปและในชั้นสูงสุดในกรณีที่เป็นบุญก็เป็นอุปธิระดับสูงเพรา ะ, ะไรเพราะว่าเป็นตัวปรุงแต่งให้เกิดพบเหมือนกัน ดันั้นสภาพของนิพพานในโวหารที่สมบูรณ์คือไม่มีทั้งกิเลสไม่มีทั้งกรรมเมื่อไม่มีกิเลสไม่มีกรรมใ้ความยึดมั่นถือมั่นในสั์สังขารทั้งหลายก็ไม่มีข้อนี้เพิ่งเห็นได้ว่าเป็นการทำลายกระบวนการของปัจจยาการในปัจจัยาการนั้นได้กล่าวถึงอวิชาสังขารวิญญาณนามรูปเอาไว้ วาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดวิญญาณเป็นวันวิญญาณเป็นปัจจัยเกิดนามรูปแต่ถ้าเรามองอุปธิแล้วก็คือเงื่อนต้นของสังสารวัฏหมายความว่ากิเลสูปธิอุปธิคือกิเลสก็ได้แก่พวกอวิชานั่นเนรรองกามูปธิอุปธิคือกรรมก็ได้แก่สังขารทั้งสามประการนั่นเอง ขันธูปะิกุปฏิคือขันธ์ก็ได้วินได้แก่วิญญาณ น, นามรูปสลายาตนาผัสสะเวทนาเป็นต้นไปพวกนี้ก็ถือว่าเป็นขันธ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดถือกอให้เกิดความทุกข์ความเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆอย่างที่ทรงแสดงไว้ในทุกขอริยสัจเมื่อกล่าวโดยสรุปบุคคลก็จะเห็นได้ว่า มันเกิดจากกิเลสสูระชิตอุปธิคือกิเลสที่เป็นเหตุเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันจะยึดมั่นในแนวกาหะสามหรือยึดมั่นในอุปาทานสี่ที่ทรงแสดงไว้ก็ตามก็คือกันจนยึดมั่นว่าเป็นของเราเพียงอย่างเดียวในกรณีนี้ท่านก็นเน้นไปที่ยึดมั่นใยความเป็นของเราพะเน้นไปที่กราคะหรือตัณหา ก็จะพบว่าความเดือดร้อนในลักษณะต่างๆที่ประรบขันก็จะเกิดขึ้นเวลาเจ็บไข้ก็เดือดร้อนเพราะความเจ็บเวลาตายญาติพี่น้องตายก็เดือดร้อนเพราะญาติพี่น้องตายคือยินคือเสียใจหรือว่ายินร้ายเพราะญาติพี่น้องตายแต่พอศัตรูตายก็ดีใจเพราะศัตรูตาย พอตัวเองจะตายก็เกิดความหวาดกลัวต่อความตายแบบนั้นหรือแม้ความโศกความรำไรรำพันเป็นต้นที่สวดสาธยายกันก็จะมีจะมีลักษณะเช่นนั้นก็จะเห็นว่าตัวการจริงเมื่อก็เกิดขึ้นมาจากกิเลสูบอุบัติอุบัติคือกิเลสที่เป็นเหตุระยุทธ์ถือเจนว่าต้องพลัดพรากจากบุคคลเป็นที่รักก็มีความเศร้าโศกเสียใจร้องไห้ผิรีไรยรำพั น, นตา่างๆ เก็บความเสียใจนั้นเอาไว้ น, น, นานๆก็กลายเป็นความโทมนัดกัดกร่อนจิตใจนักข้าแล้ว ก, กลายเป็นอุปายาตเป็นความคข้าแค้นใจหมดอะไรตายอยาก่อยากจะมีชีวิตอยู่เป็นต้นที่จริงก็เป็นอาการที่สืบเนื่องมาจากกิเลสที่เป็นเหตุให้ไปยึดถือขันเ่าดันในชั้นทั่วๆไปทัานสอนในลักษณะให้ผ่อนคลายให้ลดละให้วาง ในบางอย่างคือไม่จะยึดถือจนหลงขันหรือมัวเมาขันเรื่องฝืนขันให้เป็นอย่างที่ตัวต้องการจะให้เป็นก็ในแง่ของความเป็นจริงแล้วขันมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยของขันใจเป็นไปตามที่เราต้องการให้เป็นนั่นก็เป็นไปไม่ได้ตีต่างว่าจะเป็นไปได้จริงๆโลกก็คงจะไม่เป็นโลก โลกคงจะเต็มไปด้วยความวุ่นวายเชนว่าตั้งความปรารถนาอะไรแล้วจะได้เต็มตามความปรารถนาทุกอย่างจึงเป็นส่วนของราคาโดจรงเราจะมองเห็นภาพอีกภาพหนึ่งว่าแต่ละคนต่างก็ปรารถากันอาจจะได้ทรัพย์สมบัติแล้วต่อไปก็เล่นทรัพย์สมบัติอาจจะปรารถนาเช่นสมมติว่า ปรารถนาให้ฝนตกลงเป็นกหาปณะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงคือฝนตกลงมาเป็นเงินเป็นทองก็ไม่สามารถยังใจของบุคคลให้เต็มได้หรือฝนที่เป็นกหาปณะ ห, หรือภูเขาที่เป็นทองคำและสมมติว่าเกิดปรารถนาได้เช่นนั้นก็คงจะแข่งความสูงของกหาปณะกันแล้วคนก็จะถูกกหาปณะหเหล่านั้นทับตายกันไปหมดโลกก็คงจะอยู่ไปได้ ดังนั้นกิเลสประเภทเหล่านี้จึงไม่ส่งสอนให้พยายามตอบสนองในบางอย่างท่านก็สอนในชักสะพานเสียเช่นอะไรเช่นว่าตัณหานั้นอาศัยเป็นเครื่องละตัณหาได้แต่ว่ากามราคะนั้นท่านสอนในชักสะพานเทียคืออาศัยไม่ได้เพราะถ้าอาศัยแล้วจะทำให้หมกมุ่นวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุด มีเดี๋ยเพิ่มโอกาสที่จะลดนั้นเป็นไปได้ยากแต่ว่าในตัณหานั้นมันมีธรรมตัณหาอยู่ด้วยอาศัยเป็นญาณพาณิาได้ช่วงหนึ่งแต่เอาก็จริงก็ต้องทิ้งก็ถ้าไม่ทิ้งก็ไม่อาจที่จะถึงเป้าหมายได้แลาต่อไปก็ส่งเน้นไปที่ตัณหาอีกว่าตัณหักขยโยคือสภาพจิตที่สิ้นตัณหาได้แก่ตัณหาหมดไปจากจิตนั่นเอง นิพนธ์ เ, เข้าใจว่าเป็นการแสดงในแนวสูงสุดถ้าจะถามว่าสูงสุดแนวไหนก็แนวอุปสมานุสติในอนุสติทั้งสิบนั่นเองหรืออะไรหรือนิโรธสัตรรต์ในธรรมานุสติในสติอธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานในสติปัฏฐานนั่นเองนั้นเป็นเพียงโวหารยักย้ยการแสดงโดยมีเป้าหมายที่แน่ชัดคือความสงบระงับดับราคะออกไปจากใจ สภาพจิต ท, ที่ปราศจากตัณหานั้นก็เพิ่งมองความเร่าร้อนในสายของจิต ท, ที่ถูกแรงดันของตัณหาตนานั้นท่านแปลว่าอาการของจิต ท, ที่ดิ้นรนทถเยอทะายานอยากได้ในวัตถุการมทั้งหลายอยากได้รูปอยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้พุพธะที่ใจตนไปกำหนดว่าหน้าใครหนะ้าปราถนาหน้าพอใจ และจากความอยากนี้เองท่านแสดงว่าทำให้คนที่ตกอยู่ภายใต้อำนาจของตันหานอกจากจะประสบความเดือดร้อนด้วยการบีบคั้นด้วยการกระซิบใจของตันหาโดยการเสือกใสของตันหาแล้วบุคคลจะอยู่ในโลกเหมือนนกชนิดหนึ่งที่ชื่อวา่าไมหักกั นกไมฮะกะนั้นไมหะก ะ, ก, ะก็คือนกที่ร้องว่าของเราของเราเวลาไปเกาะจับในสิ่งต่างๆแกจะร้องว่าของเราอยู่ร่าไปแต่แกก็บินไปเรื่อยๆและทิ้งของเราไว้ข้างหลังไปเกาะต้นอื่นก็ร้องว่าของเราบางครั้งตันหาจึงเป็นเครื่องนำไปสู่พบไปติดอยู่ในพบบางพบก็ไปยึดถือว่าพบนั้นเป็นของเรา ในพรหมโลกบางชั้นจึงมีความเห็นที่วิปริตออกไปเข้าใจว่าพบเป็นตนตนเป็นพบตนเองเป็นสาภาวะที่เที่ยงแท้อยู่ในพบหลดหนึ่งจุดไปนเนยได้เกิดความคิดในแนวต้นเหตุของสรพรพสิ่งขึ้นมาเพราะอาศัยความรู้ที่ติดเพดานอยู่แค่นั้นเองดังนั้นถ้าหากว่ามองอีกภาพหนึ่งคือใจที่ไม่ดิน้น ไม่ได้สายไฟข่อยคว้าจนไม่รู้วเวลาเวลาไม่รู้จักผ่อนคลายความปรารถนาจิตใจของบุคคลก็จะโปร่งเบาสบายลงซึ่งวิธีการเหล่านี้บพงสังเกตว่าที่จริงท่งานก็พยายามลดมาตั้งแต่ฐานแล้วทานนั้นก็คือลดของเราให้น้อยลงพอจะแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ได้พ็ให้คนอื่นก็เื้อบาง บูชาความดีบ้างทำประโยชน์ที่เป็นสาธารณะกุศลบ้างหมายความว่าในชั้นของสังสารวัตรถ้าจะต้องการให้เป็นของเราก็เป็นของเราให้ได้เพราะบุญบาปนั้นติดตัวบุคคลไปได้แต่นั้นเป็นการมองในแนวสังสารวัตรคือใช้ของเราให้เป็นประโยชน์จริงๆไม่ใช่หวงของเราไว้จนกลายเป็นปู่สงฆ์ข้าศั แต่พยายามจะแปลสภาพของเราให้ติดตามเราได้ตาบเท่าที่เรายังท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัฏอาจารย์นี่ท่านจึงเรียกว่าเป็นสเสบียงแต่ระดับนี้ท่านพูดถึงวิวัตดัคือพ้นจากวัตตจึงอธิบายในแนวของการดับตัณหาไปเลยตะนักขโยคือตัณหาหมดสิ้นไปท่านผู้ฟังทั้งหลาย ได้่งประโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบู์ในธรรมจุมมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตัวกันสวัสดี